ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังให้ฟังสักเล็กน้อยวันนี้เป็นวันพิธีเป็นวันพวกเราเมื่อสิปีให้หลังเป็นวันที่เสียอกเสียใจวันหนึ่งวัน ง, งั้นเถอะพระองค์หลวงปู่ที่เป็นที่รักเคารพของพวกเราได้ล้มหายตายจากพวกเราจากนั้นมาก็เป็นเวลาสิบปีปีนี้ พระท่านมรณภาพปี 2,539 ปีนี้ก็เป็นปี 2,549 เป็นเวลา10ปีพอดิบพอดีเพราะนั้นพวกเราได้มาพร้อมกันลูกหลานทั้งฝ่ายญาติโยมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ที่รักเคารพในองค์หลวงปู่ได้มาพร้อมกันรำลึกถึงองค์หลวงปู่เพราะนั้นวันนี้ถือว่า เป็นวันน้ําจิตน้ําใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มามอบให้หลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่เป็นผู้มีพระคุณสอนพวกเราให้รู้จักบาปปูนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์วันนั้นวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันสําคัญในชีวิตประจําวันของพวกเราวันหนึ่งนะต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตโตรหะโตสัมมาสัมพุธทธะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติติวันนี้เป็นวันที่พวกเราลำลึกถึงองค์หลวงปูหลวงปูเป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย องหลวงปู่ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจจริงมาอยู่ณสถานทีน่นี้เป็นสถานที่กันดานจริงๆไม่มีถนนหนทางเข้ามาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อเองอยู่กับท่านมาตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดภูเจ้า ก, ก่อแห่งนี้เห็นความลําบากแต่สําหรับองค์หลวงปู่เองท่านเคยอยู่ในสถานที่ อุดมสมบูรณ์แต่มาอยู่ในสถานที่นี้เป็นป่าดงพงไพเป็นสถานที่ธุรกันดารเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกว่าจะออกถึงโรงพยาบาลก็คือมุกดาหารก่อนที่จะเดินไปถึงมุกดาหารได้ก็ใช้เวลานมนานโดยมากก็เวลาคนในถินนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโดยมากก็มียาหลากไม้เอ่อเป็นยาไม้ฝนไม้แช่ไม้ต้ม ให้อยู่ให้กินตามอัตภาพเป็นชีวิตที่ว่าเป็นชีวิตที่เสี่ยงที่สุดแต่หลวงองค์หลวงปู่ท่านก็ได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยหลายครั้งเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลวงพ่อเองก็เป็นสัมมเนนบางครั้งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่หลวงพ่อกับองค์ท่านที่อยู่ด้วยกันผลที่สุดก็ได้ไปนิมนต์ครูบาอาจารย์องค์อื่นที่อื่นมา อย่างหลวงปู่มหาบุรีท่านอยู่ที่บ้านเหล่าสมัยนั้นก่อนิมนต์ท่านอาจารย์พันมาอยู่ด้วยมาเป็นเพื่อนปฏิบัติองค์หลวงปู่เพราะหลวงพ่อเป็นสมณะนนไม่สามารถที่จะประคบ ป, ประครับประคอง อ, อุ้มท่านให้ลุกขึ้นมาได้ก็ต้องได้ไปอาศัยครูบามาช่วยปีนั้นก็เกือบจะว่าไม่รอดเหมือนกันหลวงปู่ป่วยแต่ละครั้งมีแต่ครั้งหนั ก, นกๆทั้งนั้นอันนี้ที่เล่าให้ฟังนี่ก็คือ ชีวิตของพระกรรมฐานในยุคสมัยนั้นเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายที่เป็นพระทุรงยุคสมัยนี้การไปมาหาสู่สะดวกสบายถนนห้นทางยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอุดมสมบูรณ์อาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องทางด้านวัตถุแล้วเหลือเฟือ ถ้าจะเปรียบเทียบกับยุคสมัยนั้นเพราะฉนั้นพวกเราท่านทางหลายการเป็นอยู่อย่างเหลือเฟืออย่างนี้ถ้าหากว่าพวกเราไม่ซํานึกไม่ซําเนียกไม่รู้จักประมาณตนก็จะทําให้จิตใจของพวกเราหรือว่าคุณธรรมในจิตใจของพวกเราเสื่อมถอยได้ไง่ายๆเหมือนกั น, เ ห, น, กนเหมือนกับที่องค์หลวงตาหรือหลวงปู่ท่านเคยสอนให้พวกเราถ้าหากว่าพวกเราเคยได้อยู่กับหลวงปู่แต่ทีแรก พวกเราก็คงจะได้ยินหลวงปู่เคยพูดให้พวกเราได้ยินได้ฟังว่าต้นไม้ถ้าหากว่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปปุ๋ยก็จะกัดต้นไม้ตายได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพระเนรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอติเรกราบจะทำให้พระองค์นั้นเสื่อมถอยทางคุณธรรมได้ง่ายๆแต่ถ้าหากว่าอยู่ในที่ กันดานจนเกินไปเสนาชนะหรือว่าปัจัจสี่ฝืดเครืองจนเกินไปก็ทำให้ใจของท่านอึนอดอัดไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้แต่ว่าจะทำยังไงอติเลกรลาบทั้งสองอย่างนี่จะพอเหมาะกลับพระผู้ปฏิบัติแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าจะยึดแนวแถวขององค์หลวงปู่ เป็นผู้นำประพฤติปฏิบัติพวกเราอย่าท้อแท้อ่อนแอให้มุ่งมั่นในอัดในธรรมให้มุ่งหวังในคุณธรรมเข้าสู่จิตใจถ้าว่าพวกเรามุ่งหวังคุณธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วสิ่งภายนอกถึงจะขาดเหลือขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเรามุ่งหวังทางธรรมะปฏิบัติอย่างองหลวงปู่ที่ท่าน พาพวกเราพาดําเนินมาอย่างที่เอาไม้คอน้ําอย่างพวกเราเป็นเห็นเป็นสั ญ, ญลักษณ์องค์หลวงปู่ที่ท่านเขียนเอาไว้เป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยนั้นยุคนั้นสมัยนั้ น, น, นที่องค์หลวงปู่มาอยู่ที่นี่พราะนั้นพวกเราท่านผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าจะยึดแนวแถวขององค์หลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดษถึงจะมีมากก็เป็นผู้ มักน้อยอภิชาตาคือเป็นผูมิมักน้อยสันทุถีกถาคือว่ารองลงมาตามมีตามเกิดเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เป็นพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งทั้งหลายที่จะยึดแนวแถวองค์หลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราทั้งหลายเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักเรื่องปฏิบัติ เน้นนักเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาศีลคือรักษากายวาจาของท่านให้เรียบร้อยส่วนสมาธิท่านก็พยายามมุ่งมั่นเดินจงกรมทางเดินจงกรมอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นที่ท่านมุงเอาไว้แต่สมัยนั้นท่านไม่ได้มุงแต่ท่านพิถีพิถันมากในทางเดินจงกรมของท่านสมัยที่ท่านอยู่ตะก่อนท่านก็พลูนทางจงกรมขึ้นไปเวลาฝนตกซอก ไหลลงมาท่านก็เอาน้ำมาลูบเอาขี้โคลนมาลูบจากนั้นเดินจงกรมท่านเดินอยู่ทั้งเดี๋ยวในขณะถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนั้นขณะนี้ท่านยังเดินจงกรมอยู่นะคือมีหัวตะเกียงเปะสองข้างมีตั้งขึ้นมาแล้วก็ท่านก็เดินบางทีเดินทั้งสามสี่ทุ่มบางทีเดินพอจวนสว่างท่านลุกมาเดินพอมาเดินเสร็จแล้ว ผมเองเป็นสมัเอนเวลาท่านเดินพอท่านพอจวนสว่างท่านจะเอาบาทไปวางไว้นู่นทางลงทางลมของท่านมีก้อนหินท่านก็ไปวางไว้ที่นั่นจากนั้นท่านก็มาเดินจงกรมพอเราขึ้นมาก็ยกมือไหว้ท่านแล้วก็เอาบาทคล้องคอและวจากนั้นเอาบาดลงไปจัดคือท่านไม่ให้มารบกวนท่านขณะที่เดินจงกรมท่านก็เดินจงกรมไปเรื่อยๆของท่านจนได้เวลาเสร็จแล้ว เกือบจะเจ็ดโมงหกโมงกว่าเจ็ดโมงที่ท่านได้กำหนดจากนั้นท่านก็คลองผ้าซ้อนสังคาติจีวรจากนั้นท่านก็เดินลงไปพวกเราก็เห็นท่านลงมาแล้วก็ตะพายบาดเดินตามหลังท่านท่านก็พูดธรรมะอะไรให้ฟังจนถึงหมู่บ้านจากนั้นท่านก็รับบิณฑบาตรกลับขึ้นมาบางครั้งบางวันท่านก็คอนน้าขึ้นมาอย่างที่พวก เราท่านทั้งหลายที่ได้ยินประวัติของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆองค์หลวงปู่ในท่านเป็นผู้มั่นขยันอดทนจริงๆเป็นพระที่เป็นครูบาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่น่ากราบไหว้สักการบูชาอย่างอย่างยิ่งสำหรับหลวงพ่อเองถือว่าองค์หลวงปู่นี่เป็นบุพกาจารย์ฝ่ายธรรมะส่วนพ่อแม่นะันคือเป็นบุพาจารย์สอนเบื้องต้น ให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักการทามาหากินรู้จักกินรู้จักขับถ่ายรู้จักหลับนอนจากนั้นก็ส่งเข้าโรงเรียนจบป .4 จากนั้นท่านก็ส่งเข้ามาอยู่กับองค์หลวงปู่หลวงปู่ก็สอนธรรมะตั้งแต่นโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจจากนั้นท่านก็สอนเรื่องศีลและธรรมต่างๆความอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อได้รับความรู้ความฉลาดจากองค์หลวงปู่ตลอดมาจนถึงตลอดถึงเป็นพระสรุปแล้วอยู่กับองค์หลวงปู่เป็นเวลา9าปีแต่ถ้าหางว่าหลวงปู่จามท่านไม่ได้ลงมาจากเชียงใหม่หลวงพ่อก็คงจะอยู่กับหลวงปู่นานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แต่หลวงปู่จามลงมาจากเชียงใหม่มาเยี่ยมโยมดาของท่าน ก็คือโยมย่าของหลวงพ่อเองท่านไม่มีมมท่านไม่มีพระเนนที่จะเข้าไปเยี่ยมแม่ชีที่ทำนักชีคุณแม่ชีแก้วเดี๋ยวนี้ะที่เป็นแม่ชีท่านก็หลวงพ่อก็ไปเยี่ยมได้ยินว่าหลวงอาลงมาจากเชียงใหม่พอเห็นท่านก็ว่าเออเนนเหลวงอาไม่มีเพื่อนจะไปเยี่ยมคุณย่านะถ้าหากว่าท่านอาจารย์ล่าท่านมีหมเพื่อนอยู่ก็ขอ ใ ห, ให้เนนมาอยู่เป็นเพื่อนเราเวลาไปเยี่ยมโยมมันดาโยมแม่ของเราจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปอยู่กับหลวงปู่จามเป็นเหตุให้ได้ออกมาจากหลวงปู่ล่าพอเสร็จแล้วหลวงปู่จามก็ได้นำหลวงพ่อขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปจำพรรษาทางเชียงใหม่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ลงมาจาพรรษาที่ห้วยทรายออกจากห้วยทรายก็ไปจำพรรษาที่ วัดป่าบ้านตาดที่ความเป็นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเองได้อยู่กับองค์หลวงปู่พอสมควรสมัยที่ว่าธุละกันดารจริงๆในยุคเบื้องแรกแต่เห็นปฏิปทาอัานงดงามขององค์หลวงปู่ท่านแนะนําสั่งสอนด้วยความตักอกตั้งใจจริงๆหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่า หลวงปู่สอนห ล, หลวงพ่อเนี่ยลักษณะปู่สอนหลานคล้ายๆกับว่าแนะนำอยากจะให้หลานตัวเองมีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถอยากจะเห็นหลานตัวเองเนี่ยเออรอบคอบพรอบรู้ไม่ให้น้อยหน้าตําตาไข่พยายามสอนทั้งที่หลานตัวเองก็บางทีก็อยากไม่อยากจะเอางันเถอะออแต่ก็พยายามสอน สออยากจะให้หลานตัวเองมีความสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆตลอดถึงพ่อวินัยด้วย เ, เรื่องพ่อวินยัยเมื่อท่านสอนเสร็จแล้วท่านก็วินัยมุกเล่มหนึ่งเล่ม2เล่ม3ามโดยพออัวยาวยางังเล่มหนึ่งกับเล่ม2หรือว่านวโกวาตหลวงปู่ท่านจะเอามาอธิบายมาย่อยให้ฟังอีกแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอความจากนั้นท่านไปมุกดาหารแต่ละครั้งก็ไปเอาหนังสือพระไตรปิฎก มาจากจังหวัดมุกดาหารมาจากวัดหลวงปูค่คาคำพีระยาโนที่เป็นพระอุปชาของหลวงพ่อเวลาเอามาทีละห้าเล่มสิบเล่มกว่าจะจะพายมาได้นะเอมาถึงท่านก็นเอามาให้อ่านมาศึกษาเพราะนั้นท่านพยายามป้อนให้ลูกหลานของท่านให้ได้รับความรู้ความฉลาดเพราะนั้นหลวงพ่อมาลํำลึกถึง ความอุตสาหะวิริยะขององค์หลวงปู่สมัยเมื่อท่านยังมีเมื่อท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีอุตสาหะวิริยะจริงๆท่านอยากจะสอนให้พระลูกศิษย์ลูกหาของท่านมีความรู้ความฉลาดมีความสามารถเพราะนั้นจนมาถึงวันนี้ถ้าหากว่าไปแล้วบุญคุณของหลวงปู่นานับประการหาประมาณไม่ได้หลวงพ่อรำลึกถึงยามเวลาใด กราบไหว้บูชาพระคุณของลูกปู่อยู่ตลอดอันนี้คือพระคุณของท่านพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านก็คงจะไม่แพ้หลวงพ่อเหมือนกันพอท่านมาเวลาไหนพวกเราก็ได้เห็นได้เข้ามากราบท่านท่านมีเมตตาต่อทุกคนท่านจะมีเมตตากระทั่งการเป็นอยู่การหลับการนอนการไปการมากาัน อะไรท่านหลวงตาหลวงปู่ท่านจะเป็นห่วงพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนไม่ได้เลือกว่าคนนั่นคนนี้เพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วพระคุณขององค์หลวงปู่ของพวกเราเนี่ยหาประมาณไม่ได้เอออันนี้คือว่าปู่สอนหลานแนะนำหลานแต่องค์หลวงตามหาบัวหลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์สอนสิทธิ์เออ แนวทางของหลวงตาเนี่ยแปลว่าครูบาอาจารย์สอนศิษย์ทําไมปู่สอนหลานกับครูบาอาจารย์สอนศิษย์ต่างกันตรงไหนคือเวลาหลวงตามหาบัวในท่านเด็ดเดี่ยวถ้าหากว่าองค์ใดก็ตามเข้าไปอยู่กับท่านสมัยหลวงพ่อเข้าไปเนี่ยถ้าองค์ไหนไม่ตั้งอกตั้งใจท่านจะชี้ดิ้วทันทีเลยเอออย่ามาให้เราหนักใจนะถ้าไม่ตั้งใจหนีนะถ้าไม่ทําไม่ตั้งใจอย่าอยู่อยู่ทําไมอยู่ให้เราหนักใจ ถ้าอยู่ก็ต้องเอาตั้งอกตั้งใจศึกษาเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนารูเราสอนอะไรอย่าให้พูดถึงสองสามครั้งนะอันนี้คือแนวทางขององค์หลวงตาท่านสอนสอนแบบครูบาอาจารย์สอนสิทธิ์สอนแบบเด็ดเดี่ยวเพราะนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยพอเห็นองค์หลวงตาเนี่ยท่านสอนเข้าไปในยขยาดทันทีแล้วว่างั้นเถอะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเออนี่หละ อันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปปู่สอนหลานครูบาอาจารย์สอนสิทธิ์หลวงตาในท่านใช้ความเด็ดเดี่ยวใช้ความรอบคอบฉเฉลียวฉลาดในการสอนลูกศิษย์แต่องค์หลวงปู่ของเราเนี่พยายามยัดเยียดให้ลูกหลานของเราถึงจะผิดใจบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเสียบังหลวงปู่ก็พยายามยัดเยียดลูกหลานให้ได้รับความรู้ความฉลาดที่ท่านมีอยู่สรุปแล้วก็คือว่า ไม่มีกำ ม, มืออยู่ในอาจารย์ไม่มีกำ ม, มืออยู่ในอาจารย์พยาพยามสอนให้ลูกหลานให้ได้รับความรู้ความฉลาดเพราะนั้นที่หลวงพ่อบรรยายมานี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะพอเข้าใจเพราะนั้นพวกลูกพวกหลานทั้งหลายเมื่อได้ศึกษากัะองค์หลวงปู่แล้วก็ขอให้นำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์หลวงปู่นาไปประพฤติปฏิบัติถึงจะอยู่ณสถานที่ใด ก็ให้ยึดแนวแถวของหลวงปู่ของพวกเราถึงจะทุกข์ยากลําบาก อ, อ, อย่างไรก็ตามก็ขอให้ปฏิประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านได้สอนพวกเราถ้าว่าพวกเรานําแนวแถวที่องค์หลวงปู่พาปฏิบัติแล้วใครเห็นใครเข้าไปสัมผัสเข้าไปใกล้ ก็จะรู้รู้เลยว่าเออคูบายองค์นี้ที่อยู่กับองค์หลวงปู่หลวงปู่พาปรพฤติปฏิบัติอย่างไรพระคูบายคูปฏิบัติตามที่องค์หลวงปู่หน้าเคารพหน้ากราบไหว้หน่านับถือเออจากนั้นก็มีศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือเพราะว่าพวกเรายึดแนวแถวขององค์หลวงปู่พาดําเนินมาแต่ถ้าว่าพวกเรา ออกนอกลูก่นอกทางออกนอกแถวที่องค์หลวงปู่พาประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อว่าก็ไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ยุคสมัยนี้ก็น่าคิดเหมือนกันน่าคิดมากเพราะว่าเป็นยุคที่สิ่งทั้งหลายสิ่งเรื่องราวทั้งหลายคือวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการเป็นอยู่ของพระ พราะนั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านจึงเน้นหนักเรื่องเคยเตือนอยู่เสมอว่ า, าพระลูกพระหลานพวกท่านทั้งหลายให้ระมัดระวังนะเรื่องโทรศัพท์นี่เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภั ย, ย, ยอย่างมากสำหรับพระผู้ปฏิบัติเพราะว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์นั้นเป็นเหตุให้ทำลายจนถึงที่สุดได้พนันการใช้ก็ให้ระมัดระวงังอย่าให ทำให้ตนเองเสียหายในการใช้คือสิ่งเหล่านี้ก็คือครูบาอาจารย์ยุคนี้สมัยนี้ท่านเป็นห่วงพวกลูกพระลูกพรหลานแก่ทางนี้ทางนั้นผมเองก็ได้นำแนวความพูดขององค์ครูบาอาจารย์มาว่ากก่าวหรือว่ามาพูดให้หมู่พวกเพื่อนเป็นข้อคิดเพราะว่าถ้าจะว่าไปพระในครั้ง พระพุทธเจ้าองค์ก่อนอย่างพวกเราเคยได้เห็นได้ยินในพระธรมธรมปททะกถาอย่างพระพาหิยะอย่างนี้นพพาหิยะทารุจริยะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นท่านเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะก็เห็นพระในยุคพระมหาพระพุทธเจ้ากัสสปะนะ่ะ ทำไม่ถูกต้องเห็นแก่ลาภเห็นแกย่ยศทำเรื่องรลวเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าท่านท่านก็เลยมาประชุมกันห้าหกเจ็ดองค์ด้วยกันนะมีพระโดยกันเจ็องค์ก็มีความคิดเห็ น, นแบบเดียวกันเออพระยุคนี้สมัยนี้ท่าไมจึงทำตัวไม่ดีไม่มีศีลธรรมไม่มีไม่อยู่ในหลักธรรมพี่หนเอาเถอะ หลักธรรมวินัยยังคงเส้นคงวาอยู่แต่ว่าการกระทําของพระหมูพวกเพื่อนนี่แหวกแนวออกไปเรื่อยๆอย่ากันนั้นเลยพวกเราควรจะหาทางพ้นทุกในขณะที่ศาสนาของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่พวกเราควรจะสาะแสวงหาทางพ้นทุ ก, ก่อนที่ศาสนาจะหมดไปทั้งเจ็ดองท่านก็มีความเห็นพร้องต้องกันปรึกษากันเสร็จแล้วก็ออกทุดงเลยว่างั้นนถอะ ไปเที่ยวทุดงพอไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงโดเด่ขึ้นไปก็ทําบันไดขึ้นไปตกลงกันทําบันไดขึ้นไปบนยอดเขาพอทําบันไดขึ้นไปบนยอดเขาก็บอกกันว่าเออเอาองไหนยังอะไรในชีวิตองไรองไหนยังรักในชีวิตไม่ต้องขึ้นไปนะไม่ต้องขึ้นไปแต่ถ้าองค์ไหนหวังความพ้นทุกข์ไม่รักอะไรในชีวิตแล้ว เพื่อจะภาวนาแล้วไปขึ้นไปทั้งเจ็ดองก็ตกลงกันก็ขึ้นไปด้วยกันทั้งเจ็ดเจ็ดรูปพอไปขึ้นไปเสร็จแล้วก็ถามกันอีกว่าใครจะลงไหมเนี่ยเจ็ดองเนี่ยใครจะลงไหมเพราะมันเป็นหน้าผารอบทุกดิทุกทิศด้านเออมาลงไม่ได้แล้วว่ากันเถอะเอาผักบันไดนะพักพ่อมพากันผักบันไดโครมเลยทีนี้พอโครมเสร็จแล้วอา้าวองค์ไหนจะไปภาวนาที่ไหนเลือกเอาเลยทีนี้ลงไม่ได้แล้วตายลูกเดียว เป็นเสียแต่ใครจะเหาะเหินเดินได้ใช่เท่านั้นเองจึงจะลงจากเขาได้จากนั้นพระทั้งเจดรูปนะท่านก็ไปนั่งภาวนากันคนล้ตามอัธยาศัยของใครของเราจากนั้นท่านก็ไปภาวนาพอคืนแรกที่เป็นประธานสงฆ์ที่เป็นหัวหน้านะท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็เหาะไปได้วนะ้ไปบินทบาทไปบินธบาทมากะเตรียมน้ํามาด้วย ก็มาชวนพระทั้งหกองค์บอกเออผมไปได้แล้วนะเออผมได้อาหารบิณฑบาตและน้ำมาด้วยออพอให้พวกเราท่านมาบ้วนปากซะเกีเ่ยวไม้สีฟันเสร็จแล้วก็ฉันอาหารที่ผมเอามาพระทั้งหกองค์ก็บอกว่าพวกเราตั้งกติกากันไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าว่าองค์ไหนไปได้ใหให้องค์นั้นฉันถ้าองค์ไหนไปไม่ได้จะไม่ฉันจะบำเพ็ญต่อไปพวกเราได้ตั้งกติกากอย่างนั้นไม่ใช่หรอ พระที่ท่านไปได้ที่ท่านเหาะได้ที่เป็นพระผู้ใหญ่ทาเออใช่พวกเราได้ตั้งกติกากันอย่างนั้นเออถ้า ง, งั้นพวกเราไม่ฉันให้ท่านฉันจ้ะพระองค์ที่เป็นหัวหน้าเออพวกท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะออพวกเราทั้งหลายปฏิบัตินี้ถูกทางแล้วถูกต้องแล้วออผมไปแล้วนะให้พวกท่านทั้งหลายสู้ต่อไป อ, อ, องค์นี้ก็ออกจากหลังเขาเหาะไปเลยพอวันที่สองต่อมาอีกองหนึ่งกับภาวนาอีกได้สำเร็จเป็นพระอนาคามี ท่านก็เหาะได้อีกเหมือนกันไปบินทาบาทมาฉันได้มาก็มาจะมาให้อาหารแก่หมู่พวกเพื่อนแต่หมู่พวกเพื่อนห้าองค์ไม่ยอมอาจากนั้นก็ท่านก็เออท่านหมู่พวกเพื่อนตั้งใจนะพวกเราปฏิบัตินี่ถูกต้องแล้วละถูกทางแล้วผมจะไปแล้วนะองค์นั้นก็ไปอีกยังเหลืออยู่ห้าองค์ภาวนาผลในที่สุดก็ตายอยู่บนยอดเข า, เาด้วยความสู้จริงๆว่างั้นเถะ ความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ของพวกท่านนี่แหละพระในยุคสมัยนั้นท่านสู้จริงๆท่านหวังเกี่ยวกับมักผลนิพพานจริงๆในเมื่อท่านภาวนาอยู่ในถึงห้าถึงหองค์อยู่ในยอดเขาพอมรณาภาพก็ไปสู่สวรรค์กลับมาในชาตินี้ก็ท่าน เ, เป็นพระ ก, กุมารและสกจปะพระพาหิยะนี่แล้วก็พระทัพบรรพบุบตร จากนั้นก็เป็นปริพาชกคนหนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนหนึ่งในในในในห้าองค์นั้นสรุปแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์สองค์แต่สององค์นั้นท่านก็ไม่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นพระราชานั้นได้บวชหรือไม่เป็นรปริพาชกนั้นจะได้บวชหรือไม่แต่ว่าสองค์นั้นท่านได้เป็นพระอรหันต์มาในศาสนาของพระพุทธเจา้าแต่ไม่กล่าวถึงท่านทั้งสององคอ์กล่าวแต่เฉพาะพระพาหิยะอีกเท่นี้ พระพายะพอเกิดมาแล้วท่านก็เป็นเป็นหน่มจากนั้นท่านก็เป็นพ่อค้าเรือเออเป็นพ่อค้าเรือคนหนึ่งเอาเรือข้ามมหาสมุทรเพื่อไปทำมาค้าขายแต่ทีนี้พอไปถึงกลางมหาสมุทรเรืออับปางว่า ง, งั้นเะเรือแตกพอเรือแตกท่านพระพายยะก็ได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งจากนั้นท่านก็ได้เกาะแผ่นกระดานแผ่นนั้นน่ย กระเสือกระสนเข้ามาหาฝั่งจำพวกคนเรือทั้งหลายก็เป็นอาหารของปลาและเต่ากันเป็นส่วนมากแต่ท่านพายยะเนี่ก็พอมาถึงฝั่งแล้วก็เสื้อผ้าหลุดลุ่ยไปหมดว่างั้นเถอะไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยพอท่านมาถึงฝั่งแนละ้วท่านก็มองไปมองมาเห็นปอที่อยู่ในทรายฝั่งเ อ, อ่เป็นปอที่มันอยู่ไงโคโรชท่านก็คว้าเอาปอเนี่ยแหะ มาพันพันพันอตัวเองเพื่อกันอาย่างนั้นจ้ะพอพันเสร็จแล้วท่านก็เดินไปที่เขาบวงสวงอผีตะปูหรือว่าผีอปูตาอย่างนั้นแหละอในบริเวณนั้นมีขันอมีขันที่เขาทิ้งบูชาน่ะท่านก็ไปคว้าได้ได้ขันนั่นแหละแล้วเอาผ้ามาพันพันไอเชือกปอมาพันพันตัวเอง ท่านก็เดินไปหาเพื่อจะแหว่งหาอาหารจากผู่คนท่านี้คนสมัยนั้นถ้าว่าเห็นของแปลกๆเนี่เหมือนยุคนี้แล้วงั้นแต่ถ้าเห็นคนใครทำแปลกๆเนี่ยเขาจะเออคนนี้แปลกนับถือเลื่อมใสขึ้นมาอันนี้เขาก็เห็นพายญาเห็นออท่านนุ่งผ้าปออย่างนั้นเขาโอ้เนี่ยเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเออนี่แหละคือพระละหันว่าจะนะออจากนั้นเขาก็เอาอาหารมาให้ทานพอทานเสร็จแล้ว เขาเอาผ้ามาให้ในเมื่อเขาว่าเป็นพระรหันต์พายยากรเออเขาว่าเป็นพระรหันต์เราก็เป็นพระรหันต์เถนี่ไม่ยอมเอาผ้านุ่งกับเขาก็ใช้ผ้าปออย่างนั้น่ะพันร่างกายออจากนั้นก็เลี้ยงอาหารกับชาวบ้านด้วยความสันดรว่าย่งั้นเถอะ อ, อ, อยู่แบบ เ, ออเพื่อจะให้เขานับถือว่าให้เขายกย่องว่าตัวเองเป็นพระรหันต์จากนั้น ท่านก็อยู่อย่างนั้นแหละทีนีอ่อยู่อย่างนั้นอยู่เป็นเวลานานแต่ใ น, นเพื่อนของท่านนะ่คือพระอนาคามีที่ภาวนาอยู่บนยอดเขานะี่แต่ส่วนพระรหันแล้วท่านไม่มาแล้วท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วแต่พระอนาคามีเนะี่ยท่านไปอยู่ชั้นสุตวัอชั้นอภิหาอัตปาสุ ษ, ษาสุเสียกนิถาชั้นสุตวาตห้าชั้น ท่านก็มองลงมาเห็นสหธรรมิกของท่านสายโลหิตของท่านเออพวกห่าท่านเนี่ยไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนบ้างเ อ, อเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ที่ไหนพระอนาคามีที่ท่านเป็นพรมนะท่านก็มองเห็นเห็นพระพาหยะอยู่ในท่าเรือ อ, อ, อยู่ในชายหาดติดทะเลท่านก็ลงมาอา้าวไม่ถ้าเราไม่ไปสอนเนีพาหยะจะหลงทางได้ เ, เนี่ยเ อ, อีที่เป็นเพื่อนสหธรรมิกของเราที่ตายบนยอดเขานะ่ะ ท่านก็เลยลงมายืนอยู่ในอากาศถามว่าพาหิยะท่านสำคัญผิดแล้วนะพาหิยะก็มองขึ้นบนอากาศไปเห็นพรมเขายืนอยูออ่ท่านก็รู้แก่ใจว่าท่านไม่ได้เป็นพระหันเพียงแต่ท่านตกไปค้าขายอยู่ในเรือมาด้วยกระดานแผ่นหนึ่งท่านก็รู้แก่ใจว่าท่านเป็นอะไรแต่เขาว่าเป็นพระหันท่านก็ทำตัวเป็นพระหันทำอย่างนี้ไม่ถูกนะพาหิยะนะ ถ้าทำอย่างงี้ตกนรกในง่ายๆนะเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกอยู่ที่กรุงสาวรรถีให้ท่านไปภาวนาให้ท่านไปศึกษาเถอะนะอันนั้นแหละพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนด้วยท่านก็จะได้ฟังธรรมะจากพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกอันนี้ท่านรู้แก่ใจท่านไม่ได้เป็นแต่ท่านเ อ, อเขาว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยสําคัญตัวผิดเองผิด พอจากนั้นาพายยะได้ยินพรมที่เป็นสหธรรมิกในอดีตชาติว่ากล่าวตักเตือนท่านก็สลดสังเวชใจโอ้ใช่ข้าในเข้าใจผิดจริงๆจากนั้นท่านก็ไปหาผ้านุ่งห่มเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เดินเลยเดินไปมากรุงสวัสถีเลยเดินทั้งวันทั้งคืนจนถึงกรุงสวัสถีตอนเช้าพระพุทธเจ้ากําลังไปบินทบาทพระสงค์ที่อยู่วัดป่าเชตวัน องค์ที่กลับมาจากบิณทบาทแล้วท่านก็มาฉันอาหารฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็เดินจงกรมในที่แจง้ง เ, เพื่อระงับความง่วงของท่นานพาให้ยากามาเห็นว่าเอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนครับผมพระสงฆ์ก็บอกว่าขณะนี้พระพุทธเจ้ากำลังบินทบาทอยู่ที่กรุงสวัรถิพร้อมกับพระสงฆ์บางส่วนโยมาจากไหนมาจากท่าเรือติดทะเลครับผม เออมาจากไกลเนี่ยอา้าวนั่งสะกก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานพระพุทธเจ้าก็จะเด็ดจะเฉด็ดกลับมาแล้วค่อยเข้าไปเฝ้าแต่พาหิยะบอกว่ากระผมไม่มั่นใจในชีวิตของพระพุทธเจ้าและไม่ไม่มั่นใจในชีวิตของผมด้วยไม่รู้จะตายใจขาดเวลาไหนเพราะนั้นกระผมจะต้องไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าให้ได้เออให้เร็วที่สุด เพราะว่าท่นั้นพระสงฆ์เออเอาตามอัธยาัยจากนั้นพายะก็เดินออกจากวัดป่าเชตะวันไปเลยท่นี่เดินเดินเดินไปเข้าไปกรุงสาวัรถีไปเห็นพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์กํลาลังเดินเดินบินถ้าบาทอยู่เพราะพระพายะเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะที่เป็นประธานสงฆ์ที่เดินนําหน้าพระสงฆ์เออมีความสง่างามสวยงามมากปีติคือความอิ่มใจ ท่วมทนหัวใจของท่านพาหิยะเข้าไปกราบด้วยความเคารพอ่อนน้อมเ อ, อ, เ า, า, า, อาเรายกว่าน้ําตานองหน้าอะไรปราณั้นเถิดสือึกสือื่นในจิตในใจเพราะว่าปีติคือความอิ่มใจในใจของพระพาหิยะเข้าไปกราบพระพุทธเจา้าพอกราบเสร็จแล้วพระองค์พระพาหิยะก็กล่าวขึ้นมาว่าขอพระองค์จงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์จะฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่า ยังไม่ใช่การพาหิยะเพราะขณะนี้เรากําลังบินทบาตอยู่พระพาหิยะบอกว่าข้าพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตของพระพุทธองค์และไม่ไว้ใจในชีวิตของข้าพระองค์ขอพระองค์จงแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดพระพุทธองค์เห็นว่าพระพาหิยะในขณะนั้นปีติคือความอิ่มใจแอบท่วมท้นหัวใจของพาหิยะถ้าพระพุทธองค์พูดอะไรให้ฟังพาหิยะก็คงไม่เข้าใจเพราะว่า เหมือนกับคนดีอกดีใจแล้วใครจะไปพูดอะไรให้ฟังน่คงจะไม่เข้าใจขณะนั้นเพราะว่าปีติมันท่วมท้นหัวใจพระพรธองค์มองแล้วว่าถ้าหากว่าพูดให้ฟังพายะคงไม่เข้าใจแน่แนจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้พูดอย่างไม่ใช่การพาหิยะเดินไปอีกพระพายะก็ขออีกค ร, ครั้งที่สองปีติคือความอิ่มใจลดลงพอครั้งที่สามเข้าไปขามอีกออไปกราบ ขออีกฟังเทศอีกพระพุทธเจ้ามองดูแล้ว่ปีติคือความอิ่มใจในหัวใจของพายะลดลงปกติแล้วพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าอา้าตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังพายะพายะเธอเห็นแต่สักว่าเห็นอย่าไปสาคัญเป็นอย่างอื่นเห็นแต่สักว่าเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เห็นแต่สักว่าเห็นเท่านั้นเองอย่าไปให้ความสำคัญในการเห็นนั้นเพียงพาหิยะได้ฟังเพียงแค่นี้หละนะเพียงเห็นที่สักว่าเห็นเท่านั้นลหละพาิยะท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันในขณะนั้นในเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันแล้วพระพุทธองค์ก็มองว่าพาหิยะเนี่ยเขาจะได้บวช ด, ด้วยเอหิพิกุปัไหมคือพระพุทธองค์ถ้าหาว่าเทศอย่าง พระปัญจวัคคีทั้งห้าหรือพระโมกขาราสาลิบทหรือพระอครส า, าวกของพระองค์เมื่อได้สําเร็จพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระที่ยินยอมที่จะบวชแล้วพระพุทธองค์จะบอกเป็นคําเป็นบาลีขึ้นว่าเอหิพิกุอปปสปัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเหล่ากล่าวดีแล้วอันนี้แปลว่าบวชเฉพาะพระพุทธเจา้าบวช ด, ด, ด้วยเอหิพิกขุ แต่นี้ท่านก็อยากจะให้ท่านก็อยากจะให้พาหิยะนี่ที่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วนี่บวชโดยเอหีภิกขุปแต่ท่านมองดูแล้วพาหิยะนี่ไม่เคยบริจาคบริขารมาก่อนไม่เคยทําบุญเกี่ยวกับบริขารคือในบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสรปะอายุของท่านอายุยืนถึงสองหมื่นปีเป็นพระภิกษุแต่ท่านไม่เคยขนขวายที่จะทําบุญทําทานกลับพระสงฆ์กับหมู่พวกเพื่อน มีแต่ว่าได้กินใส่ปากใส่ท้องตัวเองแล้วก็ได้ใช้แล้วก็พอที่จะขนขวายให้หมูให้เพื่อนได้ใช้ไม่มีในศาสนาของพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงเห็นว่าพระพายะไม่มีบา ร, รมีไม่มีบุญในเกิดในการทำบุญของท่านพระพุทธองค์บอกมองแล้วเอหิปิกุไม่ได้เพราะไม่มีอานิสงส์ท่านก็บอกว่าพายะ เธอจงไปเสาะแสวงหาผ้าให้ครบสะก่อนค่อยบวชนะครับผมจากนั้นพระพุทธองค์ก็เดินบิถะาบาัตไปข้างหน้าไปฉันที่บ้านญาติโยมครลหับดีพอฉเฉด็จกลับออกมาพระพายยะท่านก็ออกจากพระพุทธเจ้าเดินออกมาหน่อยหนึ่งแต่ท่านมีกล่ำในอดีตชาติที่ท่านเคยได้ฆ่าคนมาก่อน แต่คนหมดวิญญาณ น, นั้นก็เลยมาเกิดเป็นวัวมาในชาตินี้พราะวัวตอนนั้นพอเห็นพาหิยะตอนนั้นแหละเออมันก็เลยเช็คบินเช็คบินบางั้นเถพอะพราพาหิยะไหนจะได้สําเร็จท่านได้เป็นพระหรหันแล้วเนออท่านจะเป็นพระหรหันแล้วท่านจะไม่มักเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วเออวัวตอนนั้นก็เลยเช็คบินคืินบางั้นเถอะวัวตอนนั้นเลยกระโดดเขามาควิดท่าน พายยะก็เลยตายอยู่ข้างข้างทางพอตายเสร็จแล้วพทธองค์ก็เดินกลับมาเพื่อจะเข้าวัดป่าเชตวันพร้อมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เห็นว่านี่โยมคนนั้นที่ฟังเทศพวกพระเจ้าตายแล้วนี่อยู่ข้างถนนนี่เพราะวัวชนพะพระพองค์บอกว่าเออพระสงฆ์ทั้งหลายาหาแต่แค่ไปหามาหามโยมไปวัดแล้วก็เผาซะนะ เ, ออเผาเสร็จแล้วให้นำกระดูกมา ทั้งเป็นสถูปในทางสีแพ่งให้คนได้กราบไหว้พระสงค์ก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามเสร็จแล้วเผาเสร็จเรียบร้อยก็มากราบพระพุทธเจ้ามาถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะยอมอุบาสกคนนั้นน่ะเขาตายแล้วก็ไปที่ไหนพระพุทธองค์บอกว่าพาหิยะเป็นที่ของพวกเธอเมื่อตายแล้วเขาสูานิพานเขาเป็นพระอรหันแล้ว พระสงฆ์หลายก็งงตัวนี่้อา้าวทำไมเขาไปฟังเทศที่ไหนพระเจ้าข่าเขาทำไมจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์บอกว่าเขายืนฟังเทศในขณะที่เราแสดงธรรมเราบอกว่าเห็นแต่สักว่าเห็นอย่าไปสําคัญเป็นอย่างอื่นพาหิยะเขาได้ฟังเพียงแค่นั้นก็เขาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ พระสงฆ์ทั้งหลายบอกว่าเพียงแค่นั้นเหลือพระเจ้าค่ะที่เขาได้สําเร็จพระพุทธองค์ว่าใช่เพียงแค่นั้นแหละอย่าไปประมาทว่าคําพูดใดก็ตามถ้าหากว่าคําพูดนั้นเพียงคําเดียวฟังแล้วถึงใจเข้าใจสลัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจเป็นคําคําเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าที่จะพูดทั้งร้อยทั้งพันทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี ที่หาสาระที่หาประโยชน์ไม่ได้คําพูดใดก็ตามที่บอกินใจเข้าใจในธรรมคําพูดนั่นแหละเป็นคําที่ประเสริฐสุดนี่อันนี้คือพระพุทธองค์พูดกล่าวกับพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็เข้าใจออพระพุทธองค์ก็ว่าบรรดาสาวกของเราพาหิยะนี่แหละผู้ดได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นผู้ขิปพิญยารู้ได้เร็วกว่า ภิกษุทั้งหลายในศาสนาของเราบรรดาสาวกทั้งหลายพาหิยะนี่ะเป็นผู้ได้สำเร็จพระอรหันต์เร็วกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายพูดเพียงประโยคเดียวก็เข้าใจสำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าเราจะย้อนไปว่าพาหิยะ บ, บุพกรรมของพาหิยะนั้นเป็นอย่างไงก็พวกเราก็คงจะพอรู้ได้ว่าพาหิยะนี่ท่านอยู่บนยอดเขานั่นท่านบาเพ็ญถึงขนาดไหน แต่ท่านก็ยังไม่ได้สำเร็จไปว่าบางเต็มทนอยากจะสำเร็จเต็มทนแต่ว่ามีสิ่งที่มาปิดกัน้นยังมาปิดบังท่านอยู่พอมาถึงชาตินี้บา ร, รมีของท่านที่บำเพ็ญอย่างบอกบางแล้วบอกบางเต็มทนแล้วเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเปิดประเด็นเพียงคําเดียวท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ เพราะนั้นการบำเพ็ญพวกเราท่านทั้งหลายตลอดถึงชัดทาญาติโยมหรือหมู่พวกเพื่อนที่นั่งอยู่ในขณะนี้เวลานี้ผมว่าท้าวว่าพวกเราทำความตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆอย่า ง, างท่านพาหิยะอีกสักวันหนึ่งเมื่อเราได้ท้าวว่าเราไม่พ้นทุกในภพนี้ชาตินี้หรือาชาติต่อไปจนถึงพระศีอริยเมตไตรมาตรพวกเราได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็คงจะอย่างพระพาหิยะ ที่พวกเราจะได้ฟังและก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผล เ, ออเพราะนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราที่พวกเราได้เห็นได้ยินได้ฟังว่าเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงมีผู้ได้สำเร็จมรรคผลเท่านั้นเท่านี้ก็เพราะเหตุนี้ลหละคือพวกเราบาเพ็ญแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพวกเราก็เกิดไปเกิดยุคในยุคสมัยนั้น จากนั้นพวกเราก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์ท่านพระพุทธเจ้าก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะนั้นสรุปแล้วให้พวกเราท่านทั้งหลายประพฤติธปฏิบัติให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในพุทธประวัติพระพุทธเจ้า เป็นกษัตริย์คลองราถึงเมื่ออายุ29ปีพอองคได้ออกไปบวชพอออกไปบวชไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหปีไปลองผิดลองถูกอยู่ในป่าบำเพ็ญปฏิบัติตามฤษีอสีไพยในยุคสมัยนั้นไปศึกษาจากดาราดาบุตอุตธะกาดาบทแล้วก็นำมาฝึกฝนตัวเองจนถึงวันเดือนหกเพนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในพุทธประวัติ พระพุทธองค์ในคืนวันนั้นวันเดือนหกเ็นพระพุทธองค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนหัวค่าตอนย่ำำําค่าจากนั้นพระพุทธองค์ก็นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะนากํากหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เมื่อจิตงจ้าของพ่เป็นหนึ่งแล้วพระพุทธองค์รู้เลยว่าปุบเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้แต่ถ้าว่าตายแล้วศูญจะระลึกได้ยังไงนี่แหละเราให้ศึกษาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่าชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีปุบเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วไม่เป็นอะไรพระพุทธองค์รู้หมดความเป็นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาจากที่ไหนวันนี้ ดึกนึกย้อนหลังดูก็ได้อแล้วเมื่อวานมีไหมวันก่อนมีไหมอาทิตย์ก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมเรามาเกิดมากี่ปีมีอดีตมาทางนั้นและอนาค ต, ต่วันพุ่งนี้มีไหม ว, นนวันอนาคตมันก็มีเหมือนกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านภาวนาจนได้สําเร็จว่าได้ฌานญาณะฌาน อุเพในวาสานสุสติยานรละลึกชาติผนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนท่านก่อจตูปปาตยานการจุดติหรือว่าการเบียนไหวาตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายใครมาเกิดจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี้แล้วจะไปไหนพระพุทธองค์ก็รู้อีกเพราะท่านมีเครื่องมือขึ้นมาลยานรัศนะจากนั้นพอถึงจวนสว่างใกล้สว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตัดสรุธรมพิจารณาปฏิจจสมุบาท อวิชชาปัจญาสร้างฆราสร้างราปัจยาวิญญาณนังวิญญาณ่มาจากไหนมาจากมามาเกิดที่นี่แล้วจะไปยังไงมาจากไหนมาเกิดท่านมาดูดูวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดคือใจนั่นเองเพราะพุทธองค์ก็ว่าออกมาจากอาวิชชาคือความโง่เขลาเอออวิชชาเป็นพื้นฐานของที่เกิดของวิญญาณ น, นี่แหละจากนั้นพระพุทธองค์ก็ชาระ พระพระองค์ชำระใจของพระองค์ใจดวงนี้ทําไมมันจึงเวียนว่ายตายเกิดมันมีอะไรพระองค์ว่ามันมีเชื้อเชื้อคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะจะกําจัดเชื้อด้วยวิธีอย่างไรต้องอาศัยมักแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป้คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยชําระใจของพระองค์เมื่อชําระใจของพระองค์แล้วอชำลอก ใจของพระองค์ให้หมดเชื้อแล้วเหมือนกับเราเอาข้าวมาสีอย่างนั้นน่ะกระท้อเปลือกมันออกมัน ม, มีแต่ข้าวสารและเมื่อมีแต่ข้าวสารแล้วเอาไปปลูกที่ไหนก็ไม่เกิดทั้งนั้นวิทยาศาสตร์การเกษตรที่ไหนเจริญถึงขนาดไหนก็เถิดท่านเรากระท้อเปลือกไปให้เขาปลูกข้าวสารไม่มีวันเกิดอันนี้ก็เหมือนกันเพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราพุทธ สาวกของพระ อ, องค์ให้ชำระกิเลสคือชำระกายวาจาใจคือศีลสมาธิปัญญาชำระใจของพระ อ, องค์ชำระใจของพระอริยสาวกทั้งหลายให้หมดเชือ้อคือกิเลสราคะโทสะมีติดจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละไม่มาเวียนว่ายตายเกิดศูนย์ไหมเข้าสารไม่ศูนย์แต่เชื้อมันศูนย์ในเชื้อคือที่จะทําให้เกิดมันศูนย์ แสดงว่านิพพานังปรามังสุญัตนิพพานศูนนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรที่จะมากวนจิตใจไม่มีอะไรที่จะทำให้มาเกิดอีกได้แล้วเพราะนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะเะมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติพยายามทำ จิตให้สงบเป็นหนึ่งให้ได้หลวงปู่เทศท่านเคยสอนพวกเราสมัยที่ท่านมาอยู่ถ้าขามท่านบอกว่าถ้าหาว่าท่านผู้ใดก็ตามถ้าภาวนาขาบวชเข้ามาแล้วทําจิตให้สงบไม่ได้แปลว่าผู้นั้นยังไม่รู้รสของพระธรรมยังไม่ได้ริมรสของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าหาว่าท่านผู้ใด เ, เข้ามาบวชแล้วต้องอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ภาวนาจนจิตของตอนเองเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิผู้นั้นละ่ะแปลว่าผู้ใดริมรถของพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเชื่อในจิตในใจว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะได้ยินได้ฟังแล้วก็ นำไปประพฤติปฏิบัติพยายามสะสมสั่งส ม, สมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจอีกสักวันหนึ่งเมื่อใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วพวกเราไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายของพวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่กายกับใจรูปประธรรมก น, นามธรรมอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ร่างกายของพวกเราเนี่แตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นจะต้องไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆถ้าว่าพวกเราทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ทำบาปกรรมเอาไว้พวกเราก็จะต้องไปตกทางต่ำไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ชานไปเป็นเปรตไปตกนรกแต่ถ้าว่าพวกเราสั่งสมแต่บุญกุศลสร้างแต่คุณงามความดี อ, มออกจากภพนี้ชาตินี้ก็ไปสู่สวรรค์อ่า ฉั้นพรมจนถึงเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะนั้ น, นการกระทำสิ่งใดก็ตามทาสรุปแล้วก็คือใจของพวกเราเน่แหละเป็นคลัง เ, เป็นที่สั่งสมบุญกุศลเป็นที่สั่งสมบาปแต่าว่าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะไห ล, ลเข้าสู่ใจของเราถ้าเราทำกรรมดีบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราอันนี้องค์หลวงปูล่ลาท่านสอนอยู่แล้วท่านบอกว่าใจเป็นคลังของบาป ใจเป็นคลังของบุญเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมแต่บุญที่จะนําสุขมาให้แต่ว่าพวกเราทําบาปบาปอากุศลก็จะไหลเข้าสู่จิตใจก็จะตกไปในทางต่ําใจของเรานะะั่นแหะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ใช่อื่นไกลเพราะนั้นในหลักของพุระศาสนาหลวงปู่หลวงตาท่านว่าสอนว่าให้ปล่อยวางวางที่ใจรู้ที่ใจหลุดพ้นที่ใจ มักผลนิพานอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นมโนโปุพังขมาธรมามโนเศรษามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเอพราะนั้นพวกเราให้ภาวนาให้ดูใจของตอนเองนั่นล่ะเป็นหลักถ้าหาว่าภาวนาคือร่างกายเนี่ยคือส่วนหนึ่งเมื่อพิจารณาร่างกายร่างกายนี่มันจะต้องแตกจะต้องถลายในที่สุด ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีโครงสร้างคือกระดูกกระดูกยู่ในร่างกายโครงสร้างของร่างกายคือกระดูกเราให้พิจารณาในร่างกายของเราเนี่ยอีกสักวันหนึ่งไม่ถึงร้อยปีหรอกต่างคนก็ต่างไปแล้ว เ, เดี๋ยวนี้ทุกคนเราพวกเราเนี่ยกำลังอรอวีซ่ากันอยู่นะเมื่อวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะพวกเราได้รับวีซา่าแล้วก็จะต้องเดินทางต่างประเทศเพวก ที่เกิดก่อนเราไปต่างประเทศมากต่อมากแล้วนี่แหละรางวัลของชีวิตก็คื อ, อ, อมรณะบัตรนั่นทุกคนต้องได้รับมรณะบัตรอีกสักวันวันหนึ่งพวกเราจะต้องได้รับรางวัลมรณะบัตรไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้น ให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจวันนี้ผมได้ยกบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคระมุตตมังพวกเราเคารพบุคคลที่ควรบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคืออันดับแรกก็คือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงค์จากนั้นก็พ่อแม่ของพวกเราที่เป็นผู้มีพระคุณจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ เป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราถ้าว่าพวกเราดูถูกเหยียดยามไม่เคารพผู้มีพระคุณาหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่พวกเราเคารพครูบาอาจารย์กราบไหว้สักการะบูชาท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านมีเมตตาต่อพวกเราอย่างไรพวกเราให้ความเคารพนับถือพวกเรามีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกตลอดนานเท่านาน การพูดวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายปราดถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราดถนาทุกประการเทินหลวงพ่อมานะครั้งนี้มา กับงานขององค์หลวงปู่และก็พร้อมการหลวงพ่อเองก็ในมณฑูบาอาจารย์วันที่22 อ, อาทิตย์ทยี่22ที่จะถึงเนี่ยมกราเนี่ยหลวงพ่อจะบรรจุพ่อปรมสารีริกธาตุเมื่อสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วขึ้นมาแล้วก็ควรจะบรรจุพ่อปรมสารีริกธาตุอยู่ชั้นบนส่วนชั้นล่างก็คิดว่าประมาณชักเดือนพฤษภามิถุนาก็คงจะเป็นการบรรจุ รูปเหมือนของคุณแม่ชีแก้วเสียงลัมและก็อัธิธาตุของท่านพระธาตุของท่านพระธาตุของท่านแปลกนะเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงแต่กระดูกเป็นพระธาตุคงจะเป็นผู้หญิงคนแรกของเมืองไทยก็ไม่รู้แล้วนะที่ท่านกระดูกของท่านเป็นพระธาตุเป็นเม็ดกลมเป็นพระธาตุเป็นแก้วนะเมื่อเป็นพระธาตุแล้วก็หลวงพ่อหน่าจะสร้างเจดีย์เป็นที่เชิดชูบูชา ฝ่ายอุบาสิกาพวกเราเห็นแต่พระาธาตุเจดีย์ของพ่อแม่ครูบาจารย์หลวงปู่หลวงตาแต่สําหรับฝ่ายอุบาสิกานะียังไม่เคยมีเพราะนั้นหลวงพ่อคิดว่าน่าจะสร้างเป็นที่เชิดชูบูชาฝ่ายอุบาสิกาถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สามารถที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพอในครั้งพระพุทธเจ้าภิกษุณีที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มากต่อมาก อย่างนางโคตมีนางปตาจาลานางอุบลละวันน า, านางพิมพานางเขมาเออภิกษุณีมีเยอะแยะในยุคสมัยนั้นที่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะนั้นยุคสมัยนี้ทว่าท่านผู้ใดก็ตามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ว่าหญิงว่าชายามรรคผลนิพพานรอพวกเราอยู่ เ, เพราะนั้นขอให้จริงจังในการประพฤติปฏิบัติ เว้นเสียแต่ผู้ไม่จริงจังก็อย่างว่านั่นน่ะโอ้ยทําขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นดอกเศรษฐีฮะว่าอย่างงั้นแต่คนที่เป็นเศรษฐีเขาไม่ได้พูดถ้าเขาทาเอาร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเขาก็ได้แต่คนไม่ไม่ทําก็อย่างว่านั่นจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละทาว่าผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมักผลนิพพานก็รอพวกเราอยู่ทางว่าใครขยันเศรษฐีก็รอพวกเราอยู่ แต่พวกเราขี้เกียจความยากจนก็รอพวกเราอยู่เช่นเดียวกันเพราะนั้นที่หลวงพ่อได้รวบรวมศรัทธาญาติโยมสร้างเจดีย์ของคุณแม่ก็เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับฝ่ายอุบาสิกาขึ้นมาแห่งหนึ่งพวกเราเคยเห็นไหมเจดีย์นี่ใหญ่ใหญ่พอสมควรว่างั้นเถอะประวัติธรรมะ ในจิตใจมักผลนิพพานแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายเสมอกันมาถึงจุดนั้นแล้วเอาวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วนะทีนี้เอาเลือกกันได้นะทีนี้กราบพระประธานซะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง